ปฏิทินเพื่งมาหมู่ว่ า, วานหมวกกอนเนี่ยหย่านรื่มหยดพ่อแห้งขึ้นกันเน่ะไม่เอา อ, ออกมาแตงแต่เศร้าเนาะหย่อมันรื่มแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็ะบ่กอยากให้ไปหอยเฮทเลอร์ทลาดอะรลุกลุมตานะเก็บไว้แต่ใส่กรอบไว้อใส่กรอบไว้เป็นสิริเป็นมงคลบแมแนสีหอยยำยางไว้น่ะเอาไปมาสีกมากละบวมมีดมองสิ๋ถิมไปถิมใช ถังขยะบ้านเนีมีแต่ลบผูกล่งตาเถลิงทาราอยู่ถังขยะโมเมนแน่เลยบาปเลยเลบพรลหันเ์เวลาเบิ้งแล้วเก็บไว้ให้ดีใส่กรอบแต่อะไรแยบดถึงมันมีซากอบไปจ้างให้เขาใส่กรอบใส่กรอบใส่กรอบไปเลี่ยงตาบซาบไปแหวกกราบไว้หวเป็นจิลิเป็นมงคลในบ้านเฮ้า แบ่งให้พนูนอ่านได้แบ่งให้พูนีหได้แบ่งให้ลูกแบ่งให้ล้านอาผู้ใดอยากได้ออกไปเก่าวไปไหวยเดอ้อไว้เนื้อหางหิ่งผ้านึ่งอย่างสัตว์ยัางหอยแมลงเนยบวแมนจิตหอยไว้แล้วกัดอดเดือนมะ ก, กระาค์กัดสีกลุมผ้ากัดสีสีแจ๊กจะเอาไปไหว้ใสเอาไปมาเพอเพยอย่างมาหอบมองขื่นรถมองเหยียบมงมองรถบวมนแน่วได้หลวงพ่อเคยเห็น อันทือลูกเจ้าฝ้าเจ้าเป็นนิลูบกุบาอาจารย์เอาไปถิ่มว่ามนันที่จีว่างขาดความเคารพเป็นบาปเป็นกรรมบางที่ไปเห็นลูบหลวงปู่ ม, มันอยู่ในกลางถนนบางที่เห็นลูบพระพุทธรูปนะหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อต้องหยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาแล้วเก็บพับจากนั่นก่อ ว่าผมมีมงเก็บปุ่นเอาไปจุดถวายถวายเพิ่งอถวายพอเพิ่งให้จบๆไปจะไปหาถิ่มให้เหยียบให้ย่ำเนี่ยมันบอแมนแนวนี่แหละรูป ก, กูบาอาจารย์บางที่หลวงพ่อแจกบางทีนะหลวงพ อ, อาบอแมนหลวงพ อ, อาบอคิดเนีบางที่ลูกหลานบางคนเอาไปแล้วถิ่มๆคว้างๆถิ่มมาหลักสักสายอยู่ในบ้าน บางที่ก็ทิ้งแส่ทั้งขยะไปมากก็ไปทิมที่ไทังขยะในานาบ้านเห็ลูกกู้ใบาจาย์ลูกปูลงตาเจ้าของกข บ, บดมีความรู้สึกเพราะว่าได้ความแสดงความขอรบแต่ผู้อื่นเห็นนั่นเอตีขอลบครับนับถือเพลินอยู่นะโอ้เป็นอย่างยังเห็ดยังสั่นะเป็นอย่างยังเห็ดยังสั่นมันพอมันแนว่วเลยโบจักสูงโบจักต่ำโบจัก เข้าหลบคารวะพ่อแม่กูบาอาจารย์เป็นอย่างเห็นจังฮิตจังสี่สิงเหล่าหนีพวกเข้าผูกเดเขามาศึกษาศึกษากับพ่อแม่กูบาอาจารย์ศึกษาหุจักสูงหุ่จักตำ่ำหุจักสิงควนบกวรวนไวยบไหวุธดววคุณนาุธไอวยบดคือคือภูมีอายุ คุณอาวุธภูมิมีคุณมีพระคุณต่อประเทศชาติอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยอันนี้เป็นผูมีพระคุณทางด้านจิตใจสอนธรรมะให้แก่พวเเฮาหูา้หักดีหู้ักชั่วหู้ักเสียงควนบกควรอันนี้เป็นหายธรรมะทางด้านจิตใจเป็นผู้ชี่น้ำทางด้านจิตใจทางด้านจิตวิญญาณ อันนี้แปลว่าสูงทรงในรักของพระพุทธศาสนาแปว่าสูงทรงสูงทรงกว่าพ่อกว่าแม่อีกกว่าวยญวุธคุนาวุธธรรมดาผู้ที่จินแนะนํำให้พวกเฮาลู่แจงเห็นจริงสามารถที่จะตัดกิเลสแหวกไหวออกจากวัฏสงสารใดไม่มาเวียนวายตายเกิดอีกอันนี้แหะแปลว่าเลิศประเสริฐสูงชด ในการแนะนำการแนะนำจุดนี้ได้ก็คือไนร์อันดับแรกก็คือพระธรรมขั้สอนของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปคือพระพุทธรูปเนี่อถึงอย่างไรยึงจะเป็นกระดาษก็ตามก็ะห้องยกแล้ววันนี้คือรูปของพระพุทธเจ้าเข้าต้องแสดงความเคารพวอมแนนฮาวบอยวอมแนนทฮาเคารพกระดาษเนี ขั้นพูดได้ขอลบกระดาษพูดหนันกงกระโงอีกเห็นกระดาษที่ใส่ไม่ไดกราบกระดาษพูดออกไปเอ่ห้าเห็นลูกพระพุทธ ล, ลู ก, ล ก, ล ก, กลห้วาวกระลำลึกถึงพระพุทธเจา้าเออพระพุทธเจ้าเป็นผู้ลู่ดีลู่ชอบโดยพระองค์เองเป็นผู้ตัดกิเลสพอเห็นแล้วห้าก็กราบกราบกระลำลึกถึงพระพุทธเจ้าน่บอมันจิกาบหรืลือถึงกระดาษบอมันได้ท่านก็ลึกถึงกระดาษเงโงอีกพูดออกไปไปเห็นลูกลงตาขึ้นบัตรนี่ ลงตาเนี่เป็นภูให้คุ้นให้ประโยชน์มีคุณนู่ประการต่อประเทศชาติต่อโลกต่อพวกเข้าทั้งหลายลงตาเออที่ท้องค่ำเขาข้างลวงเงินบาทกูห ม, มื่นมันแข็งแกร่งทุกวันกับพ่อใดกับพ่อลงตาจากนั้นเพื่อเกิดช่วยโล่งพยาบาลพวกเ้าไปหาหมอตาอยู่เมืองอุดรเครื่องมือของลงตาสื่อให้แกโลงพยาบาล ผีน่องลูกลานของเฮ้าที่เฮ้าไปโล่งพยาบาลนี่แหละเครื่องใหม่เครื่องมือของลงตาเป็นผู้มีน้ําใจเป็นผู้เมตตาทว่าวปิดท้องหลังพระกรแมนนี่แหละลงตาเนี่เป็นผู้มีคุนูประ ก, การต่อประเทศชาติต่อพวกเฮ้าแต่บางที่เฮ้าประหูเลยไอเฮ้าปรว่าอันนี้คือไอหยังแต่ที่แท้เฮ้าเข้าไปเครื่องมือที่ตรวจตาของเฮ้าบอกเครื่องมือตรวจสุขภาพของเฮ้าบก่ก ที่เข้าเข้าไปบางที่เข้าไปนอนในโรงพยาบาลใช่ไเป็นเงืนของเพิ่นที่ปัญหามะหัเพิ่นนีเมตตาอัเ น, นี้เป็นว่าเป็นผู้มิคุณอุปการทั้งวัตถุทั้งด้านจิตใจเพิ่นก็สอนอีกจังสันบาปจังสีบุญนะจังสันคุ้นอันนี้โทษอย่าไปเหตุจังสันทาใจจังไดจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารเพิ่นก็สอนอีก อันนี้แปลว่าเป็นผูมีคุณูประกาศเวลาห้าวกาบเพล่นเ้าว่ามันกาบกระดาษห้าวกาบพระคุนของเพลินกราบถึงพระคุนนี่แหละพระพุทธรูปขึ้นกันย้อนถึงพระพุทธรูปพระพุทธรูปบางที่ห้ารอเกินมากกับเป็นท้องเหลืองบางที่ก็เป็นหินเป็นปูนเป็นทราย ขั้นว่าเห่าคืแต่ว่ากาบอิฐกาบหินกาบปูนกราบไส้จะซื้อเห่าก็กราบงโง่กะคักอ่านเอาไขั้นว่ากาบประคุณของเพลนเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ในน้าสังสอนนี่แหละคือลูกพระพุทธลูกแล้เนี่ยเห่าก็กาบอันนี้คือกาบบุญกาบคุณของเพิลนจะว่ากาบพอกราบแม่เห่าคือกันเนขั้นเห็นกระดูกพ่อแม่เนี่ยกระดูกอาย่ายิ่ิตรกระดูกขั้นผู้ได้ไปกราบกระดูกจะซื้อ ผู้นั้นก็โง่อีกขึ้นกันเอยเห็นกระดูกเอหมูกระดูกง่วกระดูกไข่อยู่ในถ้วยก็เห็นกระิกรับโง่คักๆก็เป็นบาคคักๆเป็นหา ก, กระดูกพอ่อกราบเหี้ยงกระดูกขึ้นกันกาบประคุณของเพลนพราะว่าเพล น, เ, นเลี่ยงดูห่อมาในร่างกายของเขาเนี่แตงแต่หัวจุดเท่าเข้าไต่มาจากไผ ได้มาจากพอ่อจากแม่พ่อแม่ไห่เฮ้ามากเฮ้าปฏิเสธได้บอกว่าบอแมนของพ่อแม่เอไปตรวจดยซี่ตรวจเอเอ้ยังคู่มือเนี่ยในการแพทย์เขาตรวจว่าเฮ้ามีเสือมาจากไผ่มันมาจากพอ่อจากแม่คือกลุ่มเดียวกันเพราะนั้นร่างกายของเฮ้าเนี่ยตั้งแต่หัวจุดเท่านี่มาจากพ่อแม่ในเมื่อเฮ้ามาจากพ่อแม่แล้วัเนี่ยเฮ้ากาับกระดูกของเพลินเนยเมือ่อเพลินตายไปแล้ว อา้าบอได้มันกาดกาบ ก, ก, กระดูกแข็งเด้กาบประกขุ่นของเพลินที่เพลินเลี่ยงดูห้ามาและกาบเสื อ, อยังบ่พ่อเดยเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วท่บุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอีกเวล า, ม า, าลมาห้าท่าบุญนี่สี่หละเฮ้มาหอดแล้วหอก็นลำดึกถึงพ่อนอีเออพ่อแม่วิญญาณพ่อแม่สิงสทิตอยู่ณนะทินใดที่ใดให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากขาไปเจ้าเนะจากผูกขาเน้อผูกขามาถึงบุญ ในพระพุทธศาสนาอุทิศโฉนกุศนไห่คือในจิตในใจน้อมะระลึกถึงอันนี้ก็คือทําบุญอุทิศให้เพลินในหลักของพระพุทธศาสนาเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วนเลี้ยงท่านตอบเลี้ยงท่านตอบก็คือพ่อแม่แกเถาชล่ามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจโุระของท่านเมื่อพ่อแม่อยากให้เฮ็ดยังเขาก็ทํากิจโทระของเพินิน ซอยเป็นใหม่เป็นมือแทนเพลนทำกิจธุระของท่านดำรงวงศกุลพอแม่เลี้ยงข้ามากเพื่อจะให้ห้าเป็นผู้สืบทอดตระกูลเป็นผู้ดูแลบ้านเพื่อนกิจการงานตามที่มั่นเป็นไปทำกิจธุระของท่านดำรงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดก ประพฤติตนจังไดสิสมควรควรรับทรัพย์มรดกของพ่อแม่คันว่าเฮ้าพ่อแม่เลี้ยงเฮ้ามากเลยแต่เลี้ยนหนังสือแล้วนุ<ม>่นเป็นข้นเกล้ยป็นขายาวหมากขั้นชายาวฟินไปกินเหล่าเมายาับไปเลร่นให้โล่ไปเหร่นการพะนั่นครบค้นชัวพ่อแม่จีมอบความไว้วางใจจีหมอ บ, อมบสมบัติให้เฮ้าไดจังไหนประพฤติตนจังสัตไม่สมควร ประพฤติตนไม่สมควรที่จะรับมรดกนะเออขันว่าประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเออเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพิ่นอีกเพราะว่าร่างกายของเขานี่ยังอยู่ก่อนทุนที่เพิ้ลหายมากนี่ยังอยู่กับเขายู่อันนี้ได้รักของพระพุทธศาสนาสรุปเลยก็คือให้รูจักสูงให้รูจักต่า ให้หูจักสิ่งค่วรบอกควรให้หูจักสัมมาฆะระวะนะคนว่าพวกเข้าทําตรวจสัส้นๆได้แล้วนะไปอยู่ในสถานที่ใดมิถุนวามล่มเย็นพาสุกเป็นสุกมัดบอกขวางเขาบอกขวางพีขวางหนองบอกขวางโลกเขานะ่แต่ถึงอย่างไรก็ตามลงพอรวาเนะี่ยบางที่ภูเถาวผู้กแก่น่ยอันนี้บอกพวกเขานะ่ะพวกเข้าสีแก น, นกันมัดเลยบอกลงพอนะ้าขึ้นกัน ลงพอกันเถาแก่มา้าจะจะเป็นผู้เลี่ยงยากนะลงพอด้วยลงพอก็ บ, บอกลงพ่อขึ้นกันเด้ไอ้พวกเข้าขึ้นกันนั่งอยู่ไหนขั้นเถาแก่ม้าเลยอย่าไปโจมผูม้พุ่มผําม่ย่าให้เขาเลี่ยงยากกนออกไปอ้อย่าไปล่ำเลือกเขาอ้บางทนผู้เถาผู้แก่เนะี่ยแต่ยินแต่ผู้อื่นว่าผู้อื่นว่าโอ้มีลูกต่างหลายคนเอ้เลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่กับว่าไรบาดท่าพอ่อแม่นี่ย เลี้ยงลูกเป็นเก่าเป็นซิบค้นก็ได้ฮว่าเนี่พ่อแม่ก็เอามาลําเลิกยุบว่าแล้วว่าเลิกเนะี่หลวงพอ่อเคยบอกให้ผู้เฒ่าขึ้นกนะันเลยไม่พวกเขาเนี่แหละนะจะไปบอให้ผู้เฒ่าผู้อื่นบอกให้พวกเข้าทั้งหลายเนะี่ยพอหลวงพ่ออายุจะเข่าเจ็ดซิบเลยไนดะ้หลวงพ่อก็บอกให้ลุงพ่อขึ้นกันหลวงพ่อได้ยินเขาว า, วานไะปเขาวา่าเลี้ยงลูกตั้งหลายคน้น วาราแล้วพ่อแม่สองคนลูกเลี้ยงบ่ได้ต่างคนต่างเกียงกันหลวงพ่อบอกว่าให้คิดเบื้องให้ดีเนะผู้เฒ่าอย่าไปหาเบ่อจังทันบางที่มันเลี้ยงยากได้เลี้ยงผู้เฒ่าบ่คือเลี้ยงเล็กน้อยเด็กขันเลี้ยงผู้เฒ่าเนี่ยกินเขาแล้วก็ว่าบ่ได้กินอขันลูกคนหนิมาเอาให้กินจนพ่อแห้งลนะ่ะลูกผู้ที่สองมากกูอยู่น้าเขาเนี่กูบ่ได้กินดอก เขาบวชที่ให้กูกินได้ไอ้ลูกที่โบหุจักแต่ศีตาสาเนี่ยกัหาวัดพ่อแม่บวท่านเลยกินเข่าตัวเองกัดทาท่าเป็นผู้ใกล้ชิดอะผู้จังสันก็มีด้เออแต่ทีแรกน้องพ่อแม่เลยเลี้ยงจนพ่อแหงแล้วกินเลาเลืมมมันออกไปเลื้มมันออกไปนี่แหะสซิงโมนีเฮาก็ต้องสืบต้องถามพีพีน้องของเฮาบอแมนสี แสดงเส น, นอหนาโบเม่นแนวหลวงพอบอกว่าไงผู้เท่าผู้แกอย่างพวกเข้าทั้งหลายเลยทีเท่าแกเป็นหนาเลยสูบ้บ่เลี่ยงกูบ่ฮักูเลี่ยงสู้เลี่ยงได้ลูกเขาสิว่าขึ้นได้บ่เนี้ยเขาว่ามันแมนแล้วสมัยอีพอเลี่ยงพวกเข้าพอยแม่เลี่ยงพวกเขานี่พ่อยิกพ่ อ, พอยิกก็ยิกอพ่อตบกับตบพ่อฟามือก็บฟามื่อน อตีเอาพอด่ากดา็ด่าพ่อให้ก็ให้อบาด า, าเฮ้าเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่บวชแห้งกับปุระยานบับเฮ็ดตาเขียวใส่ก็บปุระยานบับอี่บวชให้พอ่อให้แม่จังได้กัญญาบัพ บ, บาดาพอ่อแม่เลี้ยงเฮ้าหนูบวเปน็นเด็กสัตว์ได้พอ่อปิดวิทพ่อแสหวดแสวดเออพ่อฟ้ามือก็ฟ้ามืดใส่รถลงไปเออ ข้าแม่เห่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เฮ็ดคือยังพ่อแม่เลี้ยงเห่าหนูไว้บ่าว่าแต่เลี้ยงแต่สองคนห่ะเลี้ยงเป็นลอยก็ได้เขาว่าเอ่พวกเข้าฟังฟ่งฟั่งเนมะึอเนี่ยบ่าวว่าแต่เลี้ยงแต่สองคนน่ะเลี้ยงเป็นลอยก็ได้เขาว่าอันนี้กันหนาวฟั่งขึ้นกันเลยเพราะนั้นพวกเข้าสิต้อไปสนะิเถ่าสิแกนะเอ่ขั้นหายให้เขาก็ห้โหลดไอ่ขั้นพ่พ่อใจก็บอกลด เราจะไปหัดจมพุ่มพุ่มพํามพั่กันจมพุ่มพุ่มพั่มพั่มเยเขาลําค่านเลยเขาดูและยากะผู้เท่าที่ดูและยากมีแต่ว่าถึงจังไหนก็ตามฮเมื่อว่านเมื่อก่อนคุณโย่มเพิ่นเอาไม่เท่ามาไม่ลงพอลงพ่อก็แจกผู้เท่าเมื่อว่าไม่เท่าอันนี้ผมลงทุนอันละเจ็ดลอยครับหลวงพ่อเป็นไม้คาอหัวไม่เท่า พอดีพเอมะแข็งแรงคนอ้วนก็ได้ผมมีปัญหาเหลืองคำคำค้นผมจะเฮ็ดมาถวายหลวงพ่ออีกอยู่เออเอามาอจะแจกผู้เฒ่าเนียวันนี้หลวงพ่อก็เลยบอกว่าไม่เท่านี่ยมีคุณเด๊มีคุณต่อคน้นในพระพระพุทธเจ้าในข้างพระพุทธการในข้างพระพุทธเจ้า มีภาพแก่ผู้หนึ่งอ่ะเลี้ยงลูกเก่าค้นแบ่งสมบัติให้ลูกลูกเก่าคนลูกไส้ทั้งมัดแม่ปัดตายพ่อแม่ตายยังเหลือแต่พอปัดในลูกไส้ก็ต่างคนกับต่างมี ค, ครอบรั้วเริ่มขอแบ่งมอดรดกให้พอโอ้ยพอมอระดกเงินล้านนึงน่ะแบ่งให้ผมพูดได้แสนซักเพื่อจะได้ไปทำมากค่าขายเพราะต่างคนต่างมี ค, ครอบรัวแล้ว พ่อเออเอาไปชุ่มกันเนาะไปชุ่มกันเลอชู้เจ้าจะเอาจังสั้นบอกเอาจังสั้นแล้วพ่อถึงจะได้พวกผมก็จะเลี้ยงพ่อขึ้นเก้านั่นแหละเออเอาสั้นเอาแบงเลยให้พูละแสนละแสนพลเรศแสนไปแล้วบานนี่ต่อมาอีกป่านนี่เอาเงอนไปค่าขายมันอนักหนาไปเรื่อยเด้เงินมันบบพ่อเด้ห้อยพ่ออีกแสนแ น, น, นั่นแบยยงขันอีกพูลเมือนเนาะพ่อก็บได้ใไซยงดอก ไอ้พวกผมมีจำความจำเป็นจะได้ทำมากค่าขายจะได้เอาไปหมุนเอาจังสั้นดิพอเออเอาให้อีกพลเมินยังเหลืออยู่พออยู่เมินหนึ่งมาไอ้พอพอเมินหนึ่งไม่เป็นเงินแท้ๆได้เงินในข้างพุทธเจ้าเนี่ยโมเมนเงินกระดาษคู่ ม, มือเนี่ต่อมาอีกอลูกเขาบอกโอ้พอจังไรพอก็อยู่กับพวกผมอยู่เลยละ่ะขออีกพลละพันผูวพอเออเอาพลละพัน ไฮเอกคนไปแจกอีกพุลอพันเก่าพันอยังเหลือพันหนึ่งบา้เอแต่ว่าจะแจกเอาพูลลอยวันนี้พระท่านวาวลงไปตรงพอวันที่นี้ในปัตติปิดกคนอกไปพอได้บาทเนี่กันผู้ภาพนี่กใส่เงินพันเนี่นกันทีดนไปันไหนผู้ดาก็เก็บนันได้ให้ผู้นันผู้นี้เงินกันหน่อยลอยล้อลอยบานในโยกับลูกไส้ใหญ่หมดโยกับลูกไ้ใหญ่ลูกสะพ้ย ก, ยกับปาก นั่นมาเด้บา้านเนี่ยปูเแฮบบ้านี่ยโบหุจักบ้านผู้อื่นเนาะหุจักแต่บ้านเฮ้าบาดหาสมบัติแปรแพงทอกันมาได้ลูกจะพายไงบาดหาสมบัติแปแพงทอกันบาดหายยู่ประยู่แต่บา้านเฮ้าบอกไปบ้านอื่นโบนหุจักบ้านอื่นเนาะเบาเสียดหน้าเสียดหลังมันเอาไปพูดทอกับไหวายเขาไล่กูตัวเนียวจะเนี่ยหนีจะเนี่ยหนีไปบ้านลูกไส้ผู้ที่สองอีก โยตอมาอ่าเอลูกสะพายเอกก็เว้าอีกลักษณะอีรอบเกานะ่า่ผู้เทาก็ใจหน่อยผู้เทาก็ฟังอยู่ได้ไปยูบ้านใดก็เพราะมันเคยถือมาเลยได้เมนบอล่ะบ้านที่สามเคคือเก่บ้านที่สีที่หาที่หกที่เจ็ดที่แปดทอดบ้านที่เกา่าลูกไส้หล่าก็คือเก่าไวกันเป็นหนึ่งสี่กูตายดีกว่าไปดาบหนาวจนะไงไปผู้เทาก็ได้ไปหาหมอโลคมูขาดด้วยไซก็บโบหูแล้วเนาไป คับก็บโปมะมะเผาลงไปพ่อได้วันีอกออกจากบ้านได้ออกจากบ้านลูกชายลาวโนไปได้เตื้อเสือกับยันกับผ้าอีรุงตุงนางคอร์ดจะกิเมืองอินเดียมันขอไผก็ะได้ได้แถวนน้าโนไปอขอกินเข่าโนไปไปเห็นเลยก็เอาขอขอกินเข่าประทังชีวิตไปหอดไสก็หมดอดหอดบนได้กับเป็นตะอาบน้ำก็อาบได้อาบได้พอได้อาบได้กินได้บอได้กินได้ได น, ได น, น, นะน้ำโนไป เออชัดเจนพระเนี่ยสอนไปเรนะื่อยเนี่ยตายดีกว่าจะมาให้อยู่นกับปลูกปเปลี่ยงเนี่ยอาจารย์นี่ยลูกบวมมีคนเนี่ยอาจารย์เ น, น่ยปุ่าว่ า, ปาไปเรื่อยเนี่ยเพราะเพราะไปไปหอดวัดป่าเชดตะวันมาเนะี่อวัดป่าเชดตะวันมหาวิหารพระพุทธเจ้าประทับอยู่กับพระสงฆ์ผ้ามัวเด็กก็เลยคิดเอา่าขันแมนพระพุทธเจ้าเนี่ยผลจีบค่อยผนมีเมตตา เหออาโหงอาหารคืบวมีเศษมีเหลือเดี๋ยวบอจะไหนที่เขาไปกราบพระพุทธเจ้ามาเลยไปกาปราบไปตอนบายกัน เ, เขาไปพระพุทธเจ้าอยู่ตามลำพังอพอเห็นตามลำพังมาเลยควักมือเขามากเออเอินมากเอิญผ้ามมาหนีโนะเป็นไอ้ผ้าไปยังไหนม า, จากจังไหนอ่ะโอ้ยขาพระองค์ตกทุกข์ได้ยากเราไปเจ้าข่าวต่กอนขาพระองค์ก็มีเงินเป็นล้านเป็นหนามีตามีตาแต่มากกมาพวกลูกกั อย่างันองชันอะไรป้า่ล่ะพระพุธทธองค์เออพ่ามออาว่าข้าวเสียห้ยค่าท้าแต่บรรดาข้าเสียห้ยค่าท้าจิก้ากาวละโอ้ยกระพุทธเจ้าหาก็เอาเมดแล้วกับผมเออเอาข้าเสียหายค่าท้ากาวสุนท่อนพลดขันว่ามามาเฮียนพ่ามก็เข่าไปกัเฮียนแล้วเฮียนเยียนพ้างก็จาได้บ่าห้าได้ค่าถาแล้วบายนี่ย ให้กลับไปบ้านเนอะกลับไปบ้านไปเอิญลูกไส้ทางเก่าคนอนะมาลูกสะพายพ่อมล้านพ่อมแล้วก็ญาติพี่น้องพ่อมบ้งสาคานาญาติแถวนั้นแหละบอกว่าเออญาติพี่น้องลูกล้านทุกคู่ทุกคนเนอะเออขาไปเจ้าห่างเหินไปหลายเออปีหลายเดือนแต่มาเนี่ยขาไปเจ้ามาฮอดแล้วขาไปเจ้าจิกก้าวขํามไปยังให้ฟังให้มาฟังเนอะจิเป็นการก้าวสั่งล่า ลูกลูกล้านล้านพวกครูทุกคนข้าไปเจ้าจีรังชังล่าละให้เขาม้าพร้อมกันให้ผามยืนขึ้นในสาราประชาคมยืนในท่ามกลางอยืนในท่ามกลาวหรกกาวข้าทาอันนี้ขึ้นมาละกาวศุนทรพจน์อันนี้ขึ้นมากนะนนนนมาวถีเข้าสอนไปนี่พระพุทธเจ้าว่าเฮ็ดกาวได้บ่ได้ครับนะผ้ามเท่าลงไป บาดาน่เขียนค้าทาจากพระพุทธเจ้าเด็ก็ไปแล้วพ่อไปก็ไปหอดบ้านเจ้าของบ้านชุมชนเจ้าของก็เออเินมากแล้วผู้นั่นก็เม้าโอ้ภามไปหาอยู่นาปายตาไปนั่นเออบาเนี่ย้ามันสิเก้าจุนท่อลพดอีกบาเนี่ยสีเว่าอยังให้ฟังอีกทางพวกลูกๆกันะอพ่อเนี่สงสัยสิไปฝังเงินฝังท่องไปมองได้มองเดิงมั่งก็ชีวายังสั้นตัวมันบมล่ะเออ พอสิบอกยังขึงขังสิกาุนท่อนพไห่ฟัง่งอกไปสิบอกความรับความยั้งให้ฟังอีกกำมั่งนี่ยวัวน่ลังไหลเมา่เนะีทั้งพีทั้งหลองลูกล้านมาเต็มสลูพุท่าก็ยืนจับไม่เท่าได้เยได้ไม่เท่านออไปได้ไม่เท่ายืนจุกกลางสละเอาฟั่งเได้เเ่าวะเดี๋ยวสิบอกไห้ฟัง่งสิเกาสุนทอนพไหฟัง่งมัน ใ่นี่ก็นั่งฟังเงียบแล้วนะอาปากสว่ฟังพุทธ ก, ก ว, ว่าเก้าละเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลำบากไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้คำกายย่างย่องจ้องจดจุนจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเมื่อพบผ่านสัตว์ร้ายจะวายวุ่นเอาไม้เท้าปัดวัดเวียงไปตามบุญ คงมีคุณกว่าลูกที่ปะละเลย้ามวาวแล้วไปเลีเ่ยงมุรสุดแสนจะลำบากแต่บอแท่นมือพอได้พ่อแม่ได้เหมือนใจหมายาบัดเีกบลันระยะถึงไม่เท่าเยคุณไม่เท่าพ่อนี่มีมากมม่ได้คำกายย่างย่องจ้องจดจุน จะเดินทางไปข่างไหนไกลสถานเมื่อพบผานสัตว์ลายจะไหวบุญเอาไม้เท้าปัดมัดเวียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะละเลยผ่าผ้ามได้รับคัสอนจากพระพุทธเจ้าด้พระพุทธเจ้าสอนให้ว่าจังสี่นลไปผ้ามก็ยืนถือไม้เท้ า, าแวงไปแกวงมาวนาไป เออพวกลูกทั้งหลายโอ้เหมอบแลว้วหนอไปโอ้พวกผมปล่อยปลาละเลือ่ออีพอยลีเนาะตอนนี้ไปผมจะเป็นผู้เลี้ยงเองเนาะเนี่ยต่างคนต่างแสดงความจำนงบาตเนี่ยทั้งปูใหญ่จนหดผู้หน่อยหนอไปเออผู้พามแล้วก็เออเอาคั้นลูกที่เลี้ยงพอขจีอยู่น้ำอีกเนาะเนี่ยขั้นบ่อเลี้ยงบาต น, นี้พอไปบาต น, นี้ไปเลยละวนาะเนี่ยบาตนี่ยเขาก็เลยแต่งเว่นกัน ดูแลพอ อ, อแล้วก็พอก็ได้รับความสุขสะดวกสบายก็แล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าบัดโอ้คำว่าบ่าได้พบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจา้าบให้กาวสุนทอระพดข่ํานีมากผู้ข่าเลยคือคึ้นที่ตกทุกข์ในยากไปหอดมือตายพอเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าให้เห่ากาวสุนทอระพดจังจี่ก็เลยบอกกับลูกเอ้ยลูกเอ้ยว่านไงลูกกับ พอมีอันจะกินแล้วขอพ่อในะจากในม่ฑปพระพุทธเจ้ามาสันในชุมชนของเฮ้าแล้วท่านทางลูกก็เออเอาแล้วแต่พอแล้วท่านพราหมณ์ก็เลยไปในม่ฑปพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์เออคนก็จะมุ่มุ่นหลายมากมากับมาในชุมชนก็มาเลี้ยงมาถวายพระตาหารพระองค์พระพุทธองค์ก็สันพระตาหาร อ, อกับลูกของพรามณพอสันเสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็เลยเทศให้ฟัง พ่อเทศเนี่ยฟั่งพร่ามก็ได้สําเร็จพระโสดาบันเนี่ยลูกชายเก่าข้นก็ได้สําเร็จพระโสดาขึ้นกันลูกเจ้าไพ่ทั้งหมดกรดิดสำเร็จพระโสดาขึ้นกันกมดดันมพิจารณาเบิ่งแล้วหลวงพอวังนิสัยพระโสดาบันจะมีอยู่แต่ว่าส่วงนั้นแหะส้วงกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันมาปิดบังทั้งด้านจิตใจจนทําให้ลืมหลงลืมพระคุณของพอ่อของแม่ ทั้งทีมีอุปนิสัยอยู่ได้เอมีอุปนิสัยอยู่แต่ว่ากิเลสทางด้านจิตใจมันปิดบังก็ลืมพระคุณ น, นี่แหละบัดแล้วเพินก็นอยูเดียนเป็นสุขต่างคนก็ต่างไปสวรรค์สั่นฟ้ากันหมดนี่แหละพวกเง่าท่านทั้งหลายนะให้ฟัง่งฟั่งเอาไว้สลูกขันลูกบ่ดีสู้ไม่เท่าบ่ได้เด้ ไม่เท่าเนี่ยไปสายหมาจะกัดง่วนสิบซ้นควายจะมาควิดเนี่ยยังเอาไม่เท่าแกวงไปแกวงมามันสัตย์ยังยังหนีได้กันไปดีกว่าลูกเลี้ยงมา ก, กับใหม่กับเมื่อตั้งแต่ออกมาตีนทอฟ้าหอยหัวะทอกำปั่นบาดห้ยปานนี่แล้วโบจักบุญค้นของพอของแม่นี่ล่หละอันนี้เชียงโมนี่เท่าตองได้คิดขึ้นกัน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 พอนั่นจังบ้านเมืองเฮ้าคู่มือนี่คือกันว่าเจ้าฝ่าเจ้าแผ่นดินเพิ่อปกครองประเทศชาติมากคุ้มคล้องมากพวกเขาได้รับความร่มเย็นเป็นสุขคู่มือนี่ก็คือเผื่อปกครองประเทศมากสรุปแล้วก็คือเออเจ้าฝ่ายเจ้าแผ่นดินเนี่ยคือกันครับพอเออพอเฮ้า เ, เจ้าของบริษัทส่นหนึ่งออกง่ายๆเอาทำบริษัทก็แล้วกัน อ, อเจ้าของบริษัท ไอ้พวกเข้าท่านทั้งหลายเนี่ยคือว่าเป็นคนในบริษัทคนในบริษัทกับเจ้าของบริษัทมันต่างกันเน๊เจ้าของบริษัทเนี่ต้องคอบคล้องอยากจะให้บริษัทของเข้าเนี่ยจะเลื่นลุงเรื่องเออผู้ดใเดเฮตุบุรีพ้นกับเบื้งแต่ว่าคนในบริษัทนี่ไม่แต่ใจขอบสิกวยหายเจ้าของเลยเออคั้นเบื้องไดมีผลประโยชน์ออกมาหน่อยหนึ่งแลบออกมา ก, กันแม่นเอาโรดเราออกไป ออกมาสัดเง็ดซิกระป๋าเจ้าของรถแหละอันนี้ก็คือคนบริษัทกับเจ้าของบริษัทเนี่ยความคิดมันต่างกันอันนี้คือกันเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี è, ่ย พ, พ้นคิดอีกแบบนึงไอ้พวกคนในชาติเนี่ยคิดอีกแบบนึงไอ้ขั้นสั้นคิดคือจังเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมัมีตัวคนโคดคนโกงที่มันโคดโกงคู่มื อ, อ น, นี่ก็เพราะนี่แหละเพราะมันเห็นแก่ตัวคือคนในบริษัท เพราะนั่นเชียงโมนีพวกเข้าต้องคิดนะวยญวุฒคุนนวุธเป็นผู้มีขุนูประกาศในหลวงเพิ่นท่ำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมาห ม, มากมหาศาลหลวงพ่อวานคิดดูสิโครงการพระรลักษณ์ดำริในท่อใดเ อ, อบ้านเมืองขับขานมาเพิ่นซอยท่อใดลูกหลานแมนยูเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังได้ปริญญาตรีปริญญาเอกออ อ, อออกมาแล้วกันน่ะคือการกับพอแม่ห่าเนี่ย ขืดปุ๋มพ่อแม่ของหเขานี่ให้หน้าก็บเป็นพ่อแม่หาใหา้กิจการกับพ่อแม่หาใหา้เลี้ยงลูกมาจนได้ไปทรงเงี้ยนหนังสือจนได้ปริญาตีโทเอกบาทฮาได้ปริญาเอกมาแล้วเอ้ยพ่อแม่งโงตายก็รอกระเดียทจเท่าก็แห้งเลยงง ง, งงกกันงันอบอจักพัฒนาบ้านเมือง ที่ดูถูกพ่อแม่จังจันมันก็บแม่แต่มาคิดบังคับๆหนึ่งให้หน้าผาทางกว่าดีติ่กิจการงานที่เขาไี่เฮี้ยนมากกว่าดีเ mm hmm. พิ่นเรี่ยงเข้ามากเข้าจะคิด บ, บ, บ่อใดบ่บรนบุญคุ้นจุดนั้น mm hmm. บุญคุ้นที่เพิ่นเรี่ยงเข้ามากเขาขึ้นใดบ่ขั้นเขาขึ้นบ่อใดกับแปลว่าแสดงเขาว่าเข้าเป็นเน่เล่าคุณเนีเป็นจัดว่าเป็นบุคคลที่เน่เหล่าคุ้นในหลักของพุทธศาสนาล เป็นผู่เน่เราพุ่นพ่อแม่ได้เอ่นี่แหละจังลูกชายเก่าคตหนึ่งท่านนะเนี่ยโบู์จักเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มันแมนบอสเลนี่พรพววอคุณได้ยาว่าบอแมนได้เป็นยังไงก้าวสุดท่อหลวเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลำบากไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจใหม่ไอสิ่งโมนี่เขาต้องได้คิดหนะ้าศรัทธาญาติโน้มทุกข์ทุกคนรักของพุทธศาสนานให้ใส่ปัญญาได้ให้ใส่ความคิดได้ บ่อยใส่ความสื่อบือ่อบ่อยใส่ความโง่กันออกไปใส่ความคิดหลอบขอบคันว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาเป็นพ่ญญเเนพอเป็นแม่นี่ยลูกปเปลี่ยงเข้าเขาเสียที่อย่างไรเข้าดีใจบออคันว่าบัรทานเนี่ยเข้าปเปลี่ยงพ่อเปลี่ยงแม่เนี่อยพ่อแม่สิ่ดีใจบอกับเข้าปเปลี่ยงเพลินเข้าดูถูกเพล่นนะคือกันนั่นแหะหัวใจเพลินหัวใจเข้าหลวงพอ่อคือกันเอหลวงพอ่อ อยู่กับคูบาอาจารย์อยู่กับหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อเขารลบพ้นเลบาดามาเลี้ยงลูกน้องลูกซิดเนี่ยลูกซิดบอกเขาหลบเนี่ยหลวงพ่อจะวาร์จะไหนโอ้ยหลวงพ่อนี่ขั้นเขาบนขา้นหนีเข้าก็หนีโหลดแล้วนั่ไปเออเข้าพอด้คืดงอพอดีแหละขั้นวาร์บรยูในโอวาร์ขั้นโ บ, บ, บฟั่งกันฮนี่แหละอันนี้ก็คือกันบาหาลูกน้องของเขา้าไปถึงเมื่อเป็นผู้ใหญ่คือมาเนี่ย ตัวเองเฮ็ดจังสี่นะคับคู่บาอาจารย์บาฮาลูกน้องเฮ็ดเจ้าของเนะ่ะเจ้าของพ่อใจญ่บอบเนะมันต้องได้คิดเป็นถอดทอดถึงสันคือกันเนะี่ยหลวงพ่อว่านะอันนี้พุทธศาสนาสอนให้ค้นคิดเอ้บ๊อบแมนนี่ยสอนให้ค น, คอ เ, น, อ น, คนเออบกคิด บ, อบอ๊อ่าน บ, อบอ๊ออิดบ๊อ่านเห็นแต่แก้ตัวนบ๊อกอไรแล้วเห็นแต่โลภโกรธหลงใส่เจ้าของ บ, บ๊อกอไรบ๊อกอรบ๊ถูกนะเอาลับพ่อเ น, นะ่ย